ผู้ทุชนไม่พิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาไม่พิจารณาเห็นเวทนาไม่พิจารณาเห็นสัญญาไม่พิจารณาเห็นสังขารไม่พิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตาและถึงไม่พิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณทั้งไม่มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตากับโลกเป็นอย่างเดียวกันเรานั้นละโลกนี้ไปแล้วจากเป็นผู้เที่ยงแท้ยั่งยืน คงทนไม่ผันแปร ى, ทั้งไม่มีทิฐิอย่างนี้ว่าถ้าเราไม่พึงมีแม้บริขารของเราก็ไม่พึงมีถ้าเราจักไม่ได้มีแล้วแม้บริขารของเราก็จักไม่มีแต่ยังมีความสงสัยเคลือบแคลงไม่แน่ใจในสัตยธรรมก็ความเป็นผู้สงสัยเคลือบแคลงไม่แน่ใจในสัตยธรรมนั้นจัดเป็นสังขาร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 อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นแม้เวทนานั้นก็ไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นแม้ผัสสนั้นก็ไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นแม้อวิชานั้นก็ไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นภิกษุทั้งหลายเมื่อบ <yr> ุคคลรู้เห็นอย่างนี้อาสวะทั้งหลายจึงสิ้นไปโดยลาดับ ปาริเลยยสูที่9จบ 10. ปุณณะสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาในคืนดวงจันทร์เต็มดวง สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในปราสาทของนางวิสาขามิคารมาตาในบุพารามเขตกรุงสาวัตถีพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่สมัยนั้นในวันอุโบสถขึ้นส5คาษคืนดวงจันทร์เต็มดวงพระผู้มีพระภาคทรงมีภิกษุสงฆ์แวดล้อมประทับนั่งในที่แจ้งครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งลูกจากอาสนะ ผมผ้าชวีย้งบ่าประนมมือไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอทูลถามเหตุอย่างหนึ่งกับพระองค์ถ้าพระผู้มีพระภาคทรงประธานวโรกาสที่จะตอบ ป, ปัญหาแก่ข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุถ้าเช่นนั้นเธอจงนั่งบนอาสนะของตน แล้วถามปัญหาที่เธอต้องการจะถามเธอิดภิกษุนั้นทูลรับพระดำรัสแล้วนั่งบนอาสนะของตนได้ทูลถามปัญหาพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุปทานขันห้ 5. ประการนี้ใช่ไหมคือหนึ่งรู ป, ปูปารทานขันอุปทานขันคือรูป 2. เวทนาปารทานขัน อุปาทานข uh ันคือเวทนา 3. สัญญูปาทานขันอุปาทานขันคือสัญญา 4. สังขารูปาทานขันอุปาทานขันคือสังขาร 5. วิญญาโนปาทานขันอุปาทานขันคือวิญญาณภิกษุอุปาทานขันห้าประการนี้แหลคือ 1. รูปูปาทานขันละถึง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 แล้วได้ทูลถามปัญหายิ่งขึ้นไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุปาทานขันห้าประการนี้มีอะไรเป็นมูลเหตุภิกษุอุปาทานขันห้าประการนี้มีฉันทะเป็นมูลเหตุและถึงอุปาทานกับอุปาทานขันห้าประการเป็นอย่างเดียวกันหรือว่าอุปาทานเป็นอย่างอื่นนอกจากอุปาทานขันห้าประการพระพุทธเจ้าคะ ภิกษุอุปาทานกับอุปาทานขันห้าประการเป็นอย่างเดียวกันก็มิใช่ทั้งอุปาทานเป็นอย่างอื่นนอกจากอุปาทานขันห้าประการก็มิใช่แต่ฉันทราคะในอุปาทานขันห้าประการนั้นเป็นตัวอุปาทาน ฉันทราคะในอุปาทานขันห้าประการภิกษุนั้นละถึงได้ทูลถามปัญหายิ่งขึ้นไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ฉันทราคะต่างๆในอุปาทานขันห้าประการจะพึงมีได้หรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพึงมีได้ภิกษุแล้วได้ตรัสต่อไปว่าภิกษุ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 ไกลหรือใกล้ก็ตามนี้เรียกว่าวิญญาณขันภิกษุด้วยเหตุเพียงเท่านี้ขันจึงชื่อว่าขันเหตุปัจจัยแห่งขัน ภิกษุนั้นชื่นชมยินดีพระพาสิทธิของพระผู้มีพระภาคว่าสาธุพระพุทธเจ้าข้าแล้วได้ทูลถามปัญหายิ่งขึ้นไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้รูปขันปรากฏอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เวทนาขันปรากฏอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้สัญญาขันปรากฏ อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้สังขารขันปรากฏอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้วิญญาณขันปรากฏพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุมหาภูตรูปสี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้รูปขันปรากฏผัสสะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เวทานาขันปรากฏผัสสะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้สัญญาขันปรากฏผัสสะ เป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้สังขารขันปรากฏนามรูปเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้วิญญาณขันปรากฏเหตุเกิดสกายติฐิ พิสุนั้นชื่นชมยินดีพระพาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคว่าสาธุพระพุทธเจ้าข่าแล้วได้ทูลถามปัญหายิ่งขึ้นไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสักกายทิฐิมีได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุปุทุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะ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 พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีวิญญาณพิจารณาเห็นวิญญาณในอัตตาหรือพิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณภิกษุสกายทิฐิมีได้อย่างนี้เหตุไม่มีสกายทิฐิ ภิกษุนั้นชื่นชมยินดีพระพาสิ์ของพระผู้มีพระภาคว่าสาธุพระพุทธเจ้าค่ะแล้วได้ทูลถามปัญหายิ่งขึ้นไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสักกายทิฐิมีไม่ได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ผู้ได้สดับได้เห็นพระอริยะฉลาดในธรรมของพระอริย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 คุณโทษและเครื่องสลัดออกจากอุปาทานขันภิกษุนั้นชื่นชมยินดีพระภาสิกของพระผู้มีพระภาคว่าสาธุพระพุทธเจ้าค่ะแล้วได้ทูลถามปัญหายิ่งขึ้นไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโท ษ, อ ะ, อ, ะโทษอะไรเป็นเครื่องสลัดออกจากรูปเวทนาสัญญาสังขารอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษ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 จึงจะไม่มีอาหารการมามังการและมานานุสัยในกายที่มีวิญญาณนี้และในนิมิตทั้งปวงในภายนอกกรรมที่อนัตตาราธรรมถูกต้องอัตตา สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งได้เกิดความคิดคํานึงอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ยินว่ารูปเป็นอนัตตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาเพราะเหตุนั้นกรรมที่ถูกอนัตตกระทํจาจะถูกต้องอัตตาได้อย่างไรครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบความคิดคํานึงของภิกษุนั้นด้วยพระทัยแล้ว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 เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยง ห, หรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกหรือเป็นสุขเป็นทุกพระพุทธเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะ เพราะเหตุนั้นแลอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้และถึงรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป ทีภิกษุทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคในเรื่องต่อไปนี้คือ 1. เรื่องขันห 2. เรื่องมูลเหตุแห่งขัน5 3. เรื่องฉันทราคะ 4. เรื่องชื่อของขันห 5, 5. เรื่องเหตุปัจจัยแห่งการบัญญัติขันห้าเรื่องสักกายถิฐิ 7. เรื่องเหตุไม่มีสักกายทิฐิ 8. เรื่องคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากขันห 9. เเรื่องไม่มีอาหารการมามังการและมานานุสัย 10. เรื่องกรรมที่อนัตตากระทมถูกต้องอัตตารวมปัญหาที่ทูลถาม10ข้อด้วยกันปุณณะสูตรที่10จบคาชิยะวัค์ที่สจบ พระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. อัอสสาทสูตรสสมุทยะสูตร 3. ทุติยสมุทยะสูตร 4. อรหันตสูตร 5. ทุติยอรหันตสูตร 6. สีหาสูตร7จขัจฉนียสูตร 8. ปินโทลยะสูตร 9. ปาลิเลยะสูตร สปุณณะสูตร 4. เทระวัฏหมวดว่าด้วยพระเทระหนึ่งอนันทสูตรว่าด้วยพระอานนต์เรื่องเกิดขึ้นที่ครูสาวาที ณที่นั้นท่านพระอานน์ได้เรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วท่านพระอานน์จึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายท่านพระปุณนมันตานีบุตรมีอุปการะมากแก่พวกเราผู้เป็นภิกษุใหม่ท่านกล่าวสอนพวกเราด้วยโอวาทอย่างนี้ว่าท่านอานน เพราะถือมั่นตัณหามานะ t ิ t h ว่าเรามีจึงมีเพราะไม่ถือมั่นตัณหามานะ t ิ t h ว่าเรามีจึงไม่มีเพราะถือมั่นอะไรตัณหามานะ t ิ t h ว่าเรามีจึงมีเพราะไม่ถือมั่นอะไรตัณหามานะ t ิ t h ว่าเรามีจึงไม่มีคือเพราะถือมั่นรูป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 ตันหามานะทิฏฐิว่าเรามีจึงไม่มีเวทนาสัญญาสังขารเพราะถือมั่นวิญญาณตันหามานะทิฏฐิว่าเรามีจึงมีเพราะไม่ถือมั่นวิญญาณตันหามานะทิฏฐิว่าเรามีจึงไม่มีท่านอานน์ท่านจะเข้าใจความข้อนั้นว่ายอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่เที่ยงขอรับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงขอรับเพราะเหตุนั้นแหลละถึงพระอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ละถึงรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปท่านผู้มีอายุทั้งหลายท่านพระบุญมานตานีบุตร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 สองติสสูตรว่าด้วยพระติสสะเรื่องเกิดขึ้นยี่ครุงสาวัตถีสมัยนั้นท่านพระติสสะโอรสพระปิตุชาของพระผู้มีพระภาคบอกแก่ภิกษุจำนวนมากอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายร่างกายของกระผมอ่อนเปลี่ยนระดดคนเมากระผมรู้สึกมือทุกด้านแม้ทำทั้งหลายก็ไม่ปรากฏ ทีนมิทะครอบงำจิตของกระผมกระผมไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์และยังมีความสงสัยในธรรมทั้งหลายอยู่ครั้งนั้นภิกษุจํานวนมากเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระติสสะโอรสพระปิตุชาของพระผู้มีพระภาค บอกแก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายร่างกายของกระผมอ่อนเปลี่ยประดุกคนเมากระผมรู้สึกมือทุกด้านแม้ทำทั้งหลายก็ไม่ปรากฏถีนมิทะครอบงำจิตของกระผมกระผมไม่ยินดีพระพฤติพระมจรรย์และยังมีความสงสัยในธรรมทั้งหลายอยู่ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาตรัสว่าภิกษุเธอจงไปเรียกติสสะภิกษุมาตามคำของเราภิกษุนั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วเข้าไปหาท่านพระติสสะถึงที่อยู่แล้วได้บอกว่าท่านติสสะพระศาสดารับสั่งให้ท่านเข้าเฝ้าท่านพระติสสะรับคำแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่าติสสะทราบว่าเธอได้บอกแกภิกษุจำนวนมากว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายร่างกายของกระผมอ่อนเปลี่ยประดุดคนเมาและถึงและยังมีความสงสัยในธรรมทั้งหลายอยู่จริงหรือท่านพระติสสะทูลตอบว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะติสสะ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 ความทุกข์ใจและอุปายาความคับแค้นใจจึงเกิดขึ้นใช่ไหมใช่พระพุทธเจ้าค่ะดีละดีละติสสะเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นเมื่อบุคคลผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในรูปในสัญญาในสังขารเพราะสังขารเหล่านั้นแปรผันและเป็นอย่างอื่นโสกะปริเทวะทุกโทมนต์และอุปายาจึงเกิดขึ้นใช่ไหม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 เพราะวิญญาณนั้นแปรผันและเป็นอย่างอื่นโสกะปริเทวะทุก์โทมนัสและอุปายาจึงเกิดขึ้นใช่ไหมใช่พระพุทธเจ้าค่าดีละดีละติสะเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นเมื่อบุคคลผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในวิญญาณและถึงติสะเธอจะเข้าใจความข้อนั้นว่ายอย่างไรเมื่อบุคคลผู้ปราศจากความกำหนัด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 และอุปายาจึงเกิดขึ้นใช่ไหมไม่ใช่พระพุทธเจ้าค่ะดีละดีละติสสะเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นเมื่อบุคคลผู้ปราศจากความกำหนดในวิญญาณติสสะเธอจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เทีย ง, ยงพระพุทธเจ้าค่ะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเทียงหรือไม่เทียงไม่เทียงพระพุทธเจ้าค่ะ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 บุรุษผู้ฉลาดหนุหนทางพึงตอบว่าผู้เจริญท่านไปตามทางนี้อีกสักครู่ก็จะพบทางสองแพร่งในทางสองแพร่งนั้นท่านจงละทางซ้ายไปทางขวาเถิดไปตามทางนั้นอีกสักครู่ก็จะพบราวป่าหนาทึบไปตามทางนั้นอีกสักครู่ก็จะพบที่ลุ่มใหญ่มีเปลือกตมไปตามทางนั้นอีกสักครู่ก็จะพ บ, บบึงที่ลึก ไปตามทางนั้นอีกสักครู่ก็จะพบพื้นที่ราบหน้ารื่นรมติสสะอุปมานี้เรายกมาเพื่อให้เข้าใจเนื้อความแจ่มชัดในอุปมานั้นมีอธิบายดังนี้คําว่าบุรุษผู้มีฉลาดในขนทางนี้เป็นคําเรียกปุตชนคําว่าบุรุษผู้ฉลาดในขนทางนี้เป็นคําเรียกตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า คำว่าทางสองแพร่งนี้เป็นคําเรียกวิจิกิจฉาคําว่าทางซ้ายนี้เป็นคําเรียกมิฉามักมีองค์8ดคือหนึ่งมิฉาทิฐิละถึง8มิฉาสมาธิคําว่าทางขวานี้เป็นคําเรียกอริยมักมีองค์8ดคือหนึ่งสัมมาทิฐิละถึง8สัมมาสมาธิ คำว่าราวป่าหนาทึบนี้เป็นคำเรียกอวิชาคำว่าที่ลุ่มใหญ่มีเปลือกตมนี้เป็นคำเรียกกามทั้งหลายคำว่าบึงที่ลึกนี้เป็นคำเรียกความโกรธและความคับแค้นใจคำว่าพื้นที่ราบน่ารื่นรมนี้เป็นคำเรียกนิพพานติษสะเธอจงยินดีติดสะ เธอจงยินดีตามโอวาทที่เรากล่าวสอนตามความอนุเคราะห์ที่เราอนุเคราะห์ตามคำพร่ำสอนที่เราพร่ำสอนเถิดพระผู้มีพระภาคได้ตรัพภาสิทธิ์นี้แล้วท่านพระติสสะมีใจยินดีชื่นชมพระพาสิทธิของพระผู้มีพระภาคติสสะสูตรที่สองจบ 3. ยะมกกะสูตรว่าด้วยพระยะมกกะสมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิญญเกษทีเคครุงสาวัตถีสมัยนั้นภิกษุยะมกกะเกิดทิฏฐิชั่วเช่นนี้ว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ว่าภิกษุขีนาศพ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 จริงขอรับท่านยะมะกะท่านอย่าได็กกล่าวอย่างนั้นอย่ากล่าวตูพระผู้มีพระภาคเพราะการกล่าวตูพระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยเพราะพระผู้มีพระภาคไม่พึงตรัสอย่างนี้ว่าภิกษุขี่นาศพหลังจากตายแล้วย่อมขาดศูญย์พินาศไม่เกิดอีกท่านพระยะมะกะถูกภิกษุเหล่านั้นว่ากล่าวแม้อย่างนี้ก็ยังยึดทิฏฐิชั่วนั้นอย่างมั่นคงกล่าวว่า เรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ว่าภิกษุขี่นาศบหลังจากตายแล้วย่อมคาศูนพินาศไม่เกิดอีกภิกษุเหล่านั้นไม่สามารถที่จะให้ท่านพระยมกะคลายทิฏฐิชั่วนั้นได้จึงพากันลุกจากอาสนะเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่แล้วกล่าวว่าข้าแต่ท่านสารีบุตรพระยมกะเกิดทิฏฐิชั่วเช่นนี้ว่า